วันี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุ ป, ปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวมาถึงเรื่องของขันธ์ทั้งหาตามนิยาที่ทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานสุขเป็นการสอนให้บุคคลศึกษาหาความเข้าใจในกระบวนการของขันธ์ทั้งหาประการ เคยรู้จักลักษณะของขันห้าแต่ละอย่างในส่วนของรูปกปันคือกองของรูปนั้นเมื่อลราโดยสรุปแล้วสิ่งอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยสิ่งนั้นก็เรียกว่ารูปวันรูปก็คือสิ่งที่ บุคคลสามารถรู้ได้ทางประสาทสัมผัสทั้งห้าคือได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้สูดดมด้วยจมูกได้ลิ้มด้วยจินและได้ถูกต้องด้วยกายทั้งหมดนั้นเรียกรวมว่ารูปรูปจึงมีทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งเลวทั้งประณีตทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและที่เป็นปัจจุบัน ตามปกติแล้วจิตใจของบุคคลจะรู้สึกรักหรือชังก็ตามก็จะสายไปในรูปเหล่านั้นสายไปในรูปอดีตบ้างรูปปัจจุบันบ้างรูปอนาคตบ้างรูปหยาบบ้างรางบ้างละเอียดบ้างเพราะไม่เกิดปัญญารู้เท่าทันถึงความจริงแห่งกองรูปบุคคลทั้งหลายจึงมีความรู้สึกยินดีและยินไร้อยู่ในรูปเหล่านั้น ใ น, ในใจิตใจของบุคคลในแต่ละวันมันก็แหวงไปแหวงมาด้วยอาํานาจความรักด้วความช่างหรือความยินดีด้วยความยินใจนิยามที่เห็นรูปด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูสูดตรงกลิ่นด้วยจมูกริมรถด้วยลิ้นเลยถูกต้องโอตภะ ค, คือเย็นร้อนนับแข็งด้วยกายปกติมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะตัวอารมณ์ของกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเครื่องมือในการประพฤติปฏิบัติ ทรงเน้นไปที่ธรรมะสามข้อคือความเพียรที่เผากิเลสให้เราร้อนสัมปชานะความรู้ตัวทั่วพร้อมและความมีสติซึ่งหมายความว่าธรรมะทั้งสามข้อนั้นจะต้องมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลมีกำลังมากพอที่จะมองกระบวนการของรูปที่ปรากฏในขณะนั้ น, น, น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อ น, นอนแข็งก็ตามแต่ตามปกติแล้วอิทธิพลซึ่งมีต่อใจคนซึ่งก่อให้เกิดเรื่องความรักความชังนั้นมักจะออกมาเป็นรูปเป็นเสียงเป็นส่วนใหญ่คือชอบรูปหรือไม่ชอบรูปชอบเสียงหรือไม่ชอบเสียงส่วนกลิ่นรสนั้นที่จริงก็นา น, านจะเจอ สัมผัสนั้นก็ดันนานจะกระทบแต่ส่วนรูปกับเสียงนั้นเราจะกระทบอยู่ตลอดระยะเวลาจริงสัมผัสก็กระทบอยู่คือเราต้องอยู่ในดิญาบุตรดิยาบุตรหนึ่งคือยืนเดินนั่งนอนจุดที่เราสัมผัสก็ถือว่าเป็นผลประภะแล้วก็มีความรู้สึกกินดีกินร้ายเหมือนกันแต่เึงสังเกตว่าไม่ค่อยจะมีความรุนแรงเท่ากับรูปที่เห็นด้วยตาและเสียงที่ฟังด้วยหูแต่ว่ารถ เวลากลิ่นเวลาเสียงก็มีรักเวลากลิ่นเวลารสก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าหากว่าสัมผัสเข้าวแต่ช่วงระยะเวลาจะสั้นแต่ติดในรถก็ช่วงที่กำลังลิ้มรถอยู่ติดในกลิ่นก็ช่วงที่กำลังสูดกลิ่นอยู่คือส่วนมากแล้วเป็นการไขาหาควาเราเองเช่นต่อการรส แ, แปลกเราก็หาความเราเอง ของการกลิน่นหอมๆล้วก็หาของเรามาเองแต่ว่ารูป ก, ก็เสียงนั้นเป็นตัวกระตุ้นจากภายนอกซึ่งมีอยู่ทั่วๆไปเพราะนิติพลจึงมีต่อจิตใจของบุคคลมากกว่าอีกสามประ ก, การข้างหลังใจก็จะแกว่งไปด้วยหน้าของความยิน ด, ดีและความยินด้เพราะะนั้นเมื่อมองเห็นรูป เมื่อความรู้สึกบังเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปจะยินดีหรือยินไรหรือว่าเฉยๆก็าตามก็สงสอนให้มองรูปในแง่ของเหตุปัจจัยว่าอะไรเป็นเหตุเกิดของรูปนี้หละคือรูปแต่อะไรเป็นเหตุเกิดของรูปคอยสืบสาวไปถึงตัวเหตุเกิดซึ่งเรากล่าวมาแล้วว่าเหตุเกิดของรูปที่เป็นอดีตนั้น คือวิชาตันหาอุปาทานกรรมพูดง่ายๆก็คือกิเลสกับกรรมเหตุเกิดที่ต่อเนื่องอยู่ถึงปัจจุบันนั้นก็คืออาหารที่บุคคลสัมผัสมาทางประสาทแต่อาหารในความหมายของพระพุทธศาสนาคือครอบคายที่เราสัมผัสกันจริงๆนั้นไม่ได้หมายถึงอาหารเฉพาะที่รับประทานคือกินดื่มลิ้มจิมเข้าไป แต่หมายถึงสิ่งทั้งหลายที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสทั้งหมดจึงเรียกว่ากวะริงการาหารอาหารคือสิ่งที่เราดื่มเราลิ้มเราชิมเข้าไปทางปากประสะาอาหารคือผัสสะที่เรากระทบนิยามที่เห็นรูปฟังเสียงดมกินลิ้มรสถูกต้องหยุดนอนนอนแข็งก็มีการกระทบที่เรียกว่าผัสสะือการกระทบ แล้วก็ตัววิญญาณคือการรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสนั่นเองให้ลองสังเกตว่าคำว่าอาหารแปลว่าสิ่งที่นำผลมาเพรันเวลากระทบรูปเสียงเป็นต้นหรือเวลารู้รูปเสียงเป็นต้นก็นำผลมาเป็นความยินดีความยินร้ายความชอบความฉังความพอใจความเสียใจความทุกข์ความสุข แ, แล้วแต่การกาหนดรูปเป็นต้นของบุคคลนั้น ตลอดถึงความจงใจคิดความเหนียวนึกคิดถึงเรื่องอะไรมันจะนำผลมาเป็นความสุขความทุกข์ให้ผู้ปฏิบัติธรรมาลองเหนียวนึกถึงอารมณ์ที่ผ่านมาแล้วในอดีตก็ได้ที่จริงอารมณ์หล่านั้นมันเกิดแล้วในอดีตดับไปแล้วในอดีตแต่เราก็ไปเหนียวนึกมามันจะสร้างความยินดีความยินร้ายให้เกิดขึ้นภายในใจเรา จะนึกถึงการพัดพราดสูญเสียจากคนนั้นเป็นที่รักนึกไปนึกมาน้ําตาก็พลันไหลออกมานั้นแสดงให้เห็นว่าที่จริงแล้วอารมณ์เหล่านั้นมันผ่านไปทั้งนั้นเพียงแต่ว่าใจเราเป็นเหนียวนึกเอาแต่เหนียวนึกด้วยความรู้สึกที่เป็นปิยวิปโยคคือการพัดพราดจากคนสนัตว์นันเป็นที่รักความโศกก็เกิดขึ้นท่วมทับจิตใจ ในการเหล่านี้เราจะพบได้ด้วยตัวของเราเองว่าบางครั้งบางคราวพูดถึงคนนั้นเป็นที่รักของเราที่ตายไปตั้งหลายปีแล้วพูดไปพุ่งพูดมาก็นั่งร้องไห้ไปเลยนั้นแสดงถึงอาหารคือมันนาผลมาแต่นำผลมาในรูปของความตกบางครั้งบางคราวพูดถึงเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เราเคยสัมผัสมาแล้วในอดีตแล้วก็ที่จริงก็ดับไปแล้วในอดีตแต่เราเหนียวนึกเรามาปรารถกกันเรามาสนทนากัน จิตใจก็ย้อนก็สู่อดีตมีความเบิกบานชื่นชมสนุกสนานจนถึงก็จิตใจข่อยคว้าปรารถนาที่จะได้สิ่งเดียานั้นกลับมาอาหารเหล่านี้ท่านจึงเรียกว่ามโนสัญเจตน า, าอาหารคือมโนสัญเจตนาแต่แก่ความจงใจเหนียวนึกของบุคคล บันทีลักษณะความคิดที่ฝันสร้างวิมานในอากาศลักษณะต่งตางๆความสาเร็จการได้ลาบได้ยศได้ชื่อเสียงต่งตางๆที่เราจะได้จะมีจะเป็นในอนาคตที่ยิ่งมันยังไม่ได้เราได้หรือไม่ได้ก็ยังไม่รู้แต่บ้านก็เป็นอาหารแล้วให้ความสุขใจให้ความสบายใจให้ความทุกข์ใจตามสมควรกับลักษณะของอารมณ์ที่เราเดียวนึกในขณะนั้ น, น, น ร้อาจับใดที่สิ่งทั้งห้าประการนี้ยังมีอยู่คือเหตุในอดีตทั้งสประการยังมีอยู่เหตุในปัจจุบันหนึ่งประการคืออาหารยังมีอยู่แต่ว่าความเป็นรูป ก, ก็ยังคงอยู่ที่ถ้ามองถึงแนวการประพฤติปฏิบัติในอักราณาการประพปฏิบัติในชีวิตประจําวันพึงสังเกตว่าเมื่อเราเกาะกลุ่มมาวิชาตนาวป่วาทานมันก็เป็นกิเลส กรรมมันก็เป็นกรรมอาหารมันก็เป็นอาหารตกลงจริงๆก็มีอยู่สามอย่างคือกิเลสกรรมและอาหารเป็นเหตุให้บังเกิดรูปให้การดํารงอยู่ให้มีการดํารงอยู่ของรูปเมื่อสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่ตรับได้การเกิดการดํารงอยู่การดับไปก็มีอยู่ดับนั้นแต่พอจริงๆเป็นการดับยังมีเหตุปจัจจัยคล้ายๆกระแสไฟดับ เหตุปัจัยให้เกิดเป็นยังมีอยู่มันก็เกิดได้ไปเรื่อ ย, อยมีลักษณะเป็นการไหลแบบสันติคือไหลสืบเนื่องกันมาคล้ายๆกระแสน้ำกระแสไฟกระแสลมทั้งหลายมันก็ไหลผ่านมาในลักษณะนั้นถ้าเรามองดูเทียบเคียงในขณะจิตเจนได้อย่างชัดเจนว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยการยึดมั่นหรือบั้นในขันทั้งหประการนั้น จะเกิดขึ้นก็ได้จะไม่เกิดขึ้นก็ได้หรือจะดับไปเสเลยก็ได้ตัวการใหญ่เป็นอยู่ที่จิตเราในขณะนั้นมีอะไรอยู่ในที่นี้ทรงแสดงว่าจิตมีอวิชชาเป็นรากใหญ่อวิชชาคือความรู้ไม่จริงเป็นความรู้เหมือนกันแต่รู้ไม่จริง เพราะความรู้จริงในความหมายที่พระพุทธเจ้าส่งประสงค์นั้นหมายถึงรู้แล้วต้องละความชั่วดายละกิเลสได้ถ้ารู้เพียงแต่ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นบาปเป็นบุญเป็นกุณเป็นโทษอย่างเดียวแต่ตัวเองก็ยังประพฤติสิ่งที่เป็นบาปยังประพฤติสิ่งที่เป็นอกุศลดูความรู้ในลักษณะนั้นท่านถือว่าเป็นความรู้ที่คุ้มครองตัวไม่ได้ เขยังไม่สามารถละลดละกิเลสลงไปได้ให้ลองดูในขณะจิตของเราที่เกิดรูปคือเราเห็นรูปเราฟังเสียงเราดมกลิ่นเราดิ้มรสเราถูกต้องเย็นเราหนักแข็งดูตัวอย่างง่ายๆจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ารูปเหล่านั้นจะมีปัญหาต่อใจเราหรือไม่มีปัญหามันที่จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวรูปเหล่านั้นรูปกับเราที่จริงบางคนละเหตุปัจจัยกัน สมมรูปคนรูปสัตว์รูปสิ่งของต่างๆกับเราเป็นคนละเหตุปัจจัยกันเขาก็เป็นเหตุปัจจัยของเขาถ้าเป็นคนมันก็ประกอบด้วยวิชาตนาอุปาทานกรรมได้อาหารของเขาส่วนเราก็ประกอบด้วยวิชาตนาอุปาทานกรรมของเราส่วนร่างกายก็เป็นดินน้ำลมไฟอากาศของเขาเราก็เป็นดินน้ำลมไฟอากาศของเราที่จริงไม่ได้เกี่ยวกัน แต่ทำไมจึงเกิดเกี่ยวกันเพราะเป็นการมองด้วยอำนาจของอวิชชาคือความไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงใจของบุคคลก็เกิดความรักบ้างความชังบ้างความหลงบ้างความประมาทบ้างตามสุควรแก่กรณีของอารมณ์ในขณะนั้นหรือเปรียบเหมือนการเดินในหนทางเรารู้ว่าหนทางนั้นเป็นอย่างไรเราไม่รู้ว่าหนทางนั้นเป็นอย่างไร อาจจะต้องหลงอาจจะต้องสะดุดตกล้มอาจจะต้องตกหลงุงตกบอก่อคือดูภาพแล้วก็ทุลักทุเลได้เกินถามว่าทำไมต้องทุลักทุเ ล, ลอย่างนั้นบอกว่าไม่รู้กล่าวตัวเดียวแต่นั้นเองไม่รู้ว่ามันไปทางไหนมันมีอะไรขวางอยู่ข้างหน้ามีหลุมมีบ่ออย่างไรได้ดูดูตัวอย่างง่ายๆก็เหมือนเดินในท่ามกลางความมืดตัการใหญ่จริงมันอยู่ที่ตัวมืด ซึ่งในที่นี้สงชาคำว่ออาอวิชชาตันเองและตรงนั้นเองพอรุ่งเช้ามันเกิดสว่างขึ้นมาเราเดินเพราะรู้ตอนกลางคืนนั้นเดินเพราะมืดรุ่งเช้าก็เดินเพราะสว่างเทียบเคียงง่ายว่าเดินกลางคืนเพราะอวิชชาเดินกลางวันเพราะวิชาทางสายเดียวกันนั่นเองแต่เราเดินโดยไม่มีปัญหาอะไร หลุมบอ่อที่เคยสะดุดหกล้มเมื่อตอนกลางคืนเราก็หลบเราก็ร่วมเป็นหลุมเป็นบอ่อเราก็หลบหลุมซึ่งเคยเป็นอันตรายมันก็เป็นสักแต่ว่าหลุมด้านนั้นเองบอ่อที่ทําให้เราตกไปมันก็สักแต่ว่าบ่อก้อนอิดก้อนหินที่ทำให้เราสะดุดเป็นบาดแผลเป็นรอยช้ําอะไรต่างๆมันก็สักแต่ว่าก้อนอิดก้อนหินมันก็แยกจากเราอย่างเด็ดขาดไม่มีอิทธิพลอะไรต่อเราเลยเพราะนตัวอย่างวิชาการวิชามันมีลักษณะอย่างนั้น หมายความว่าท่านที่ยังมีอวิชชาอยู่ก็จะประสบปัญหาเพราะอาวิชชาแต่ว่าท่านที่ทำลายอาวิชชาไปได้ไอรูปนั้นคงเป็นรูปแต่ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรมาปรุงแต่งจิตของท่านเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นริมรถถูกต้องเย็น้อนอ่อนแข็งดามอย่างปกติธรรมดาแต่เป็นมีปัญญารู้เท่าทันถึงความ ปัญหาที่เคยเกิดมันก็ไม่เกิดแต่เพึงสังเกตว่าปัญหาเหล่านี้เคยเกิดแม้กับพระพุทธเจ้าทั้งหลายเองก็เคยเกิดก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเคยเกิดกับพระหันทั้งหลายก่อนที่ท่านจะเป็นพระราหันเพราะในขณะนั้นท่านก็อยู่ในท่ามกลางความมืดเหมือนกันมาอยู่ท่ามกลางความมืดปัญหาต่างๆมันก็ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดา แต่พอมาอยู่ในแสงสว่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่นี้ท่านมุ่งทางแสงสว่างทางใจได้แก่วิชาความรู้เห็นตามความเป็นจริงการเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นริบรุคงเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นริมรุแต่จะไม่มีปัญหาอะไรเพราะปัญญารู้เท่าทันถึงความ ถ้เราสังเกตุในชีวิตประจาวันก็เราที่จริงเราเห็นเข้าของเยอะแยะไปหมดได้แต่ทำไมจึงไม่เกิดความยินดีความเสียดายความเสียใจเพราะเรารู้ไม่ใช่ของเรารู้ข่าวเกิดอุบัติเหตุคนล้มตายกันมากเกิดเครื่องบินตกเกิดอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้รับรู้แล้วก็ตกไป เพราะรเพราใจเราไม่ได้เกี่ยวเกาะว่าเป็นของเราเป็นญาติเราเป็นเพื่อนเราเป็นพวกเราเป็นพี่น้องเรามันไม่เกี่ยวอะไรกับเราสักอย่างแต่ถ้าในกลุ่มคนเหล่านั้นเกิดมีอะไรที่เกี่ยวกับเราสักอย่างญาติเราลูกเราเพื่อนเราสามีพันยาเราเข้าไปเกี่ยวสักคนหนึ่งเท่านั้นเองที่ใจก็จะแปรผันไปด้วยอํานาจความรู้สึกว่าเป็นของเรา แต่ในจุดนั้นแหละถ้าหากว่ามันเกิดมีวิชาขึ้นมาเป็นความรู้เท่าทันทึงความจริงของชีวิตไม่ต้องเอาอะไรมากขนาดเราเห็นว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้เขาก็ตายไปแล้วก็ เ, เป็นไปตามกรรมของเขา ความปรงตกความปล่อยวางในอารมณ์เทล่านั้นก็จะเกิดขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์อย่างเดียวกันนั่นเองแต่ว่าคนที่รับรู้เหตุการณ์เหล่านั้นเป็นการรับรู้จากพื้นฐานจิตที่ไม่เหมือนกันจะทำให้มีความรู้สึกต่อเหตุการณ์เหล่านั้นแตกต่างกันออกไป ตัวการใหญ่ยึงอยู่ที่ตัววิชาอวิชาอย่างที่กล่าวครับหรือว่ามองไปที่ตัณหาก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเราเห็นรูปความเสียงรงกลิ่นลิมรสจุดต้องจิตนันอนอนแข็งเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นการฟังด้วยตัณหาดูด้วยตัณหาฟังด้วยตัณหาสุดดมด้วยตัณหาลิ้มด้วยตัณหาจับต้องด้วยตัณหาจิตมันก็สาย ไปที่รูปรลอนนั้นในการกําหนดหมายขอยคว้าปรารถนาต้องการในรูปรลอนนั้นเป็นอย่างที่ตัวต้องการให้เป็นการต้องการให้เป็นมันก็ต้องการอยู่2แนวคือต้องการให้พินาศไปต้องการให้แตกกลายไปต้องการให้รับรุงคงอยู่อย่างถาวรมั่นคงต้องการอยู่สองแนวก็ขึ้นอยู่กับเราชอบหรือเราชังเราชอบเราก็ต้องการอีกอย่างหนึ่งถ้าเราชังเราก็ต้องการอีกอย่างหนึ่ง ทีนี้เมื่อรูปหลอนนั้นเป็นไปตามที่เราต้องการมันจะเกิดการเพลิดเพลินชื่นชมยินดีในรูปหลอนนั้นถ้าเกิดไม่เป็นไปตามที่เราต้องการก็จะเกิดเศร้าโศสกเสียใจเกิดร้องโ h มร้องไห้เป็นทุกข์ขึ้นเพราะอาศัยรูปนั้นไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นจิตมันก็กลับมาที่อภิชากระทบอนนันอีกเช่นเคยคือถ้าเป็นไปตามที่เราต้องการเราก็เกิดอภิชา ทำให้เป็นไปตามที่เราต้องการเราก็เกิดโทมนันั่ซึ่งจุดมุ่งหมายในการศึกษาในการปฏิบัตินั้นสู้มุ่งขจัดความรักความชังความยินดีความยินไรในอารมณ์ทั้งหลายในโลกแต่ตามปกติแล้วเราก็อยู่ในโลกเราเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งหลายอยู่จะดีบ้างไม่ดีบ้างไพเราะบ้างไม่พเราะบ้างธรรมดา เพียงแต่ว่าใจไม่ได้ไปเกี่ยวเกาะท่านนั่นเองเป็นการสะท้อนให้มองเห็นภาพสองด้านเราสามารถพิสูจน์ทดสอบได้ด้วยขณะจิตของเราเพราะอะไรเพราะความยินดีความยินร้ายในอารมณ์ทั้งหลายนั้นบางทีไม่มีไม่มีทั้งความยินดีทั้งความยินร้ายรู้สึกเฉยๆในอารมณ์เราัน เหตุการณ์ดีเราก็รู้สึกเฉยๆเหตุการณ์ไม่ดีเราก็รู้สึกเฉยๆถ้าลองถามใจตัวเองว่าทําไมจึงทําได้เช่นนั้นก็เพราะว่าคําว่าเราไม่ไปอยู่ในสิ่งเหล่านั้นดังความรู้สึกเหล่านี้บางทีก็ส่งสรุปง่ายๆต้องใช้คำสองคานั้นเองว่าอัตตาอัตตนิยा อาตาก็คือตนคือเรารูปเราเสียงเรากลิ่นเรารสเราสัมผัสเราแต่รเราตึงอารมณ์เราหรือว่ารูปของเราเสียงของเรากลิ่นของเรารสของเราสัมผัสของเราที่เรียกว่าอัตตนิยาคือเกี่ยวเนื่องกับเราแล้วเกี่ยวเนื่องไปในลักษณะต่างๆตามพื้นฐานการกําหนดอารมณ์ของบุคคลอย่างที่เราพบเป็นกัน เพราะถ้าตบใจปีความรู้สึกเหล่านี้อยู่ตาบนั้นความคิดในแนววิชาในโธโนิพนธก็ต้องเกิดขึ้นได้เรื่อยๆเอาอาจจะมองที่ตัวอุปาทานคือจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นคนนี้ผู้ศึกษาธรรมะจะเห็นได้อย่างเด่นชัดเลยว่าความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายนั้นที่จริงมันเป็นกระบวนการของ ธรรมชาติในชีวิตของเราถ้าเราไม่ยึดมัน้นถือมัน่นมันก็ไม่มีอะไรตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดๆัดเช่นเราเดินไปซื้อของในตลาดแล้วก็เดินสายไปเรื่อยๆพอใจบ้างไหมพอใจบ้างพอใจมากบ้างพอใจน้อยบ้างเฉยๆบ้างพอใจมากก็อาจจะพริกดูอาจจะจยิบดู แต่ว่ายังไม่ปรงใจมันก็ไม่มีอะไรของที่เรารู้สึกพอใจแต่เราไม่ปรงใจคือยังไม่ได้มีตัณหาชัดเจนยังไม่มีอุปาทานชัดเจนเป็นของเราใครจะหยิบไปใครจะซื้อไปใครจะเอาไปเราก็ไม่หวาอะไรเพราะมันจริงๆมันไม่ใช่ของเราเป็นของในร้านเขาตั้งหากแต่พอวัตถุชิ้นใดของชิ้นใดที่เราปรงใจว่าเป็นของเราตัณหาก็เข้าเกาะทันทีว่าของเรา อุปทานก็ยึดติดทันทีว่าไอ้ น, นี้เป็นของเราตรงนี้แหละถ้าหากว่าใครเกิดมาซื้อตัดหน้าจะเกิดโทสะใครมายื้อแย่งไปจะเกิดโทวสะแม้บางครั้งยังไม่ทันจ่ายสตางให้แกเจ้าของร้านก็เลยแต่ใจมันเกาะก่อนแล้วเก่อด้วยอำนาจตันหาเกาะด้วยอำนาจของอุปทานก่อนนะ ความรักความชังความดีใจความเสียใจจะเกิดขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นนั่นก็คือเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาที่เราเห็นได้ชาดว่าสิ่งที่ทรงแสดงที่จริงมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตแต่เป็นการวิเคราะห์จิตให้บุคคลได้ศึกษาถึงสิ่งทั้งหลายในแง่ของกระบวนการในเหตุปัจจัย ว่ถ้ามันมีอย่างนี้อย่างนี้มันก็ต้องมีอย่างนี้มันก็ต้องมีก็ต้องมีไปเรื่อยๆมันก็คล้คายๆการมองรถไฟกระบวนการแต่เรามองรถไฟให้เป็นยานพาหนะที่สามารถบรรทุก ผ, ผู้โดยสารได้มากๆ ม, มันเป็นบุกี้บุกีแต่เราพุทธศาสนาท่านมองในแง่ของปฏิยาการมองในแง่กระบวนการของเหตุปัจจัยที่มันเลื่อนหลายกันไป มันมีหัวข อ, อกใหญ่อยู่คือหัวรจักรซึ่งจะเป็นตัวลากตัวเป็นตัวพลังขับเคลื่อนให้รถขบวนเหล่านั้นมันสามารถเคลื่อนไปได้พอหัวรถจักรเคลื่อนข บ, นบวนบกี้หนึ่งก็เคลื่อนโบกี้หนึ่งเคลื่อนโบกี้สองก็เคลื่อนก็เคลื่อนไปเป็นแถวไปนั่นคือกระบวนการของเหตุปัจจัยทีนี้ถ้าเรามองเทียบเคียง ม, มันเหมือนกันไม้กับกระบวนการของวิชาตัรกะอุปาทานกรรมเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกัน อวิชานั้นเป็นรากเงาเป็นเหตุเกิดเกิดใหญ่ของสัพพกิเลต ท, ทั้งหลายท่านทั้งหลายจะเห็นว่าที่เราโกรธเพราะอะไรถ้าโกรธถามถามใจดูว่าทําไมจึงโกรธก็เพราะว่าไม่รู้ไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงทําไมจึงโลภก็เพราะไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงทําไมจึงริษยาเพราะไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงทําไมจึงขับแค้นดุดดัดเพราะไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงมันมาเหตุมาอยู่ที่อวิชาทั้งนั้น แต่ถ้าอวิชชามาถูกขจัดไปอย่างน้อยที่สุดถูกบันเทาประบางลงไปตานาในอารมณ์ทั้งหลายมันก็ลดลงรู้จักเลือกเฟ้นอารมณ์ควรอยากหรือไม่ควรอยากควรควบคุมความอยากเอาไว้อยู่ในจุดใดจึงจะเหมาะจะควรแม้จะไปซื้อข้าวซื้อของก็ไม่ซื้อจนต้องเซนไว้กับพ่างกับร้านเล่านั้นดูความจาเป็นความเหมาะความควรทํานองที่เราพูดเนี่ย มีน้อยจ่ายน้อยค่อยบันจงจะจ่ายลงให้มากกี่อยากนานดูแล้วมันก็คล้ายๆกับเรื่องธรรมดาแต่นั้นคือความรู้เห็นตามความเป็นจริงเรามีฐานะน้อยมีเงินอยู่น้อยจะซื้อมากรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าถ้าซื้อมากก็จะมีปัญหารู้เห็นตามความเป็นจริงว่าถ้าซื้อน้อยก็พอสมควรแก่สานะของเรา เพราะปัญหาใหญ่จริงๆในการซื้อสิ่งของเหล่านั้นมาก็เพื่อบำบัดความต้องการของเราบำบัดปัญหาที่บังเกิดขึ้นแก่เราเมื่อบำบัดปัญหาได้ก็เป็นการพอเพียงแล้วนั่นคือกระบวนการของธรรมะที่ก็อยู่ทุกคนทุกแข่งไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเป็นเรื่องฆวัดปังคำจำศีล น, นั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวที่จริงแล้วเป็นการสะท้อนมาจากสิ่งทั้งหลายที่เคลื่อนไหวกันอยู่ในโลกนี้เพียงแต่ว่าพอมาจเจริญแบบกรรมฐาน ก็มาสอนให้มองเป็นรูปของกระบวกนการถ้าเราไม่ต้องการให้เกิดเราก็ต้องไปแก้ที่ตัวเหตุของมันมันเหมือนอะไรมันเหมือนกับไฟเราต้องการให้ดับมันก็ไปดับที่มันเปิดตรงไหนมันเปิดเราก็ไปดับตรงนั้นไฟมันก็ดับได้ ตอ น, นั้นพวกกิเลสพวกวิชาอาวิชารเราเห็นว่าตรงกันครับอวิชามันเกิดตรงไหนล่ะเวลาจะดับอวิชามันก็ดับตรงนั้นดับที่ตรงอวิชานั่นเองเมื่อดับที่ตรงอวิชาพวกตันหาอุปาทานเขาก็ดับตับไปปรทานองคล้ายกับต้นไม้ต้นอะไรก็ตามกสรุปว่ามันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกัน ต่อเนื่องกันมาจากกามิจฉาผมก็ดูที่ความดับของรูปบรรูปทั้งหลายที่พระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ท่านบอกว่าจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นอุปาทานแล้วตอนนี้พานไปเพราะอะไรเพราะวิชาดับตันหามันถึงดับตันหานดับอุปาทานก็ดับอุปาทานดับอาหารมันก็จบ อาหารมันก็ดับตามไปกระบวนการของชีวิตก็ดับี่มองในแง่ของธรรมดาสามัญให้เราสังเกตว่าความรักความชังที่เรามีต่อรูปต่อเสียงต่อกลิ่นต่อรสต่อผดผาดต่อธรรมารมต่อธรมารมต่างๆที่เรากระทบในตจละขณะถ้าเราไม่มีอวิชชาอยู่ในรูปล่านั้น กระทบแล้วก็เป็นการกระทบอย่างรู้เห็นตามความเป็นจริงไม่เกิดเป็นตันหาขึ้นมาเช่นอะไรเช่นไปพบเห็นเข้าของของบุคคลอื่นที่มีความสวยงามมากแต่วิชาเนี่ยมันบอกว่าเป็นของคนอื่นไม่ใช่ของเราไอความอยากได้มันก็ไม่มี อย่างน้อยที่สุดคือไม่อยากได้ในสิ่งของชิ้นนั้นในสิ่งในวัตถุเจาเหล่านั้นเพราะเรารู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นของคนอื่นสแสดงว่าอะไรสะแสดงว่าตัณหาเมื่อก็ลดลงไปทำไมจึงลดเพราะเรารู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นของใครอะไรควรหรือไม่ควรถูกต้องหรือไม่ถูกต้องกระบวนการเหล่านี้มันก็เราเกี่ยวข้องกันอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา ให้ลองสังเกตว่าการลดละอวิชาตนาุปานานั้นที่จริงเราก็ลดละกันได้แต่ลดละไม่ได้โลกมันก็เป็นกะลียุคหมดแล้วก็อยู่กันไม่ได้ เ, เพียงแต่เราตัดขาดไม่ได้แต่นันเองส่วนการลดละการบรรเทาการสงบระงับการดับในบางขณะบางอารมณ์เช่นเกิดตัญหาในของของบุคคลอื่นเราดับตรงนั้นได้ปัญหาที่ควรจะเกิดขึ้น มันก็ยุติดงแค่นั้นทีนี้จะถามว่าทำไมจึงเกิดพวกเหล่านี้ขึ้นมาเราจะเห็นว่าตัวอาหารนั่นเองเป็นเหตุให้เกิดกลับขึ้นมาอีกทีหนึ่งซึงมีนัยยะที่จะต้องศึกษาสำเนียกไปโดยลำดับต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสึกต่อ